อาชีตะนั้นทั่วไปก็เรียกว่าอายสมาเนี่ยนะเป็นระดับอาจารย์มันก็จะมีอายสมานำหน้าเพราะท่านเป็นระดับครูบาอาจารย์เป็นเวลาจะกล่าวกับท่านก็ต้องกล่าวด้วยความรักกล่าวด้วยความเคารพนั่นนะเพราะฉะนั้นคําว่าอายสมาเนี่ยถ้าใช้กับผู้ใดเนี่ยนะก็ผู้นั้นเนี่ยเป็นต้องเป็นที่เคารพเป็นที่ยำเกรงนั่นนะนท่านพระชิตะเนี่ย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 นั่นนก็เป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องชีวิตเป็นการมองชีวิตอย่างรอบด้านพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสต่อว่าโลกอันอวิชชานี่หุ้มห่อไว้โลกไม่ปรากฏเพราะความตรณีและก็เพราะความประมาทเป็นเหตุเรากล่าวว่าตัณหาเนี่ยนะเป็นเครื่องฉาบทาโลกทุกเป็นภัยใหญ่ของโลกอวิชชานี่แหละมันห่อหุ้มเอาไว้ ที่มันไม่ปรากฏอย่างนี้ก็เพราะความตรณีเพราะความประมาทนั่นแหละตัญหาเนี่ยเป็นเครื่องชาบทาโลกความทุกข์เนี่ยนะเป็นภัยใหญ่ของโลกคือเป็นสิ่งที่น่ากลัวสําหรับโลกนี่ก็ขยายคําว่าพักวาก่อนนะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยเป็นผู้ตรัสตอบปัญหาเนี่ยนะว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกพรามณ์ว่าอชิตะเนี่ยนะบทว่าพักว่า นี้เป็นเครื่องกล่าวด้วยความเคารพ น, นนะก็คือเป็นบุคคลที่ตั้งแห่งความเคารพเป็นบุคคลที่ตั้งแห่งความยำเกรงจึงเรียกว่าพระขวาสมัยนี้ก็ยังมีนนะที่อินเดียเนี่ยถ้าถ้าใครเป็นาศาสดาสูงสุดของาศาสนาเขาก็าจะเรียกพระขวาเหมือนกันแต่เขาก็เสียงก็เพีย้ยนนนะคือของเราอะ่ะเพี้ยนจากเขาหรือเขาเพี้ยนจากเราเขาไม่รู้นะพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยทรงทาลายราคะ เพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าพักวาหรือทำลายโทสะทำลายโมหะทำลายมานะทำลายทิฏฐิทำลายเสี้ยนน้ําเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าพักวาคำว่าพักวาก็เน้นทำลายราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิกิเสี้ยนน้ําก็คือบาปอากุศลทุกชนิดที่อยู่ในใจเนี่ยอีกอย่างหนึ่งพักวานี่พระพุทองค์ทรงจำแนกแจกแจงซึ่งธรรมรัตนะรัตน์ก็คือแก้ว แก้วคือธรรมะรัตนาก็คือเพชรนั่นแหละจำแนกเพชรอะ่ะแจกแจงเพชรอะ่ะพระสอนในพระไตรปิฎกนั่นนะพระธรรมรัตนะแปดหมี่พันก็พระธรรมขันก็แต่ละธรรมขันก็รัตนะเลยนะบางแห่งบอกว่าพระธรรมขันแต่ละธรรมขันเท่ากับพระพุทธเจ้าหนึ่งองค์นั่นนะแปลว่ายิ่งใหญ่มากเนี่ยนะพระผู้มีพระภาคเนี่ยจำแนกแจกแจงพระธรรมเหล่านั้น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 ไม่ใช่คนเดินปลิวว่อนไปหมดนะไม่ใช่มันสถานที่ที่ควรทํากรรมรับของมนุษย์ก็ต้องคือถ้าไม่เงียบจริงๆมันคิดเรื่องที่ลึกซึ้งยา ก, ก น, นะเพราะว่าเป็นที่สมควรแก่การหลีกเล่นหลีกเล่นถ้าเป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องเข้าพระสมมาบัติอยู่ในที่เงียบสงัดก็เข้าพระสมมาบัติมีอสังขตธรรมคือบุญิพานเป็นอารมณ์ อันึพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีส่วนแห่งตัดใจสี่คือจีวณบินทบาทเสนาสนักกีฬานัปัจัยเพสัตวบริการอันึพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยมีส่วนแห่งอัทธรสธรรมรสวิมุตติรสแห่งอธิศีนอธิจิตอธิปัญญาคือเพราะพระองค์นี้อบรมอธิศีนอธิจิตอธิปัญญาพระองค์จึงได้อัทธรสธรรมรสวิมุตติรสเนี่ยนะอันึพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีส่วนแห่งฌานสอัปปมัญญาสี่ อรูปสมาบัตส4อันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีส่วนแห่งมิโมก8อภิพาัตนา8ดอนุปพระวิหารสมาบัติ9อันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีส่วนแห่งสัญญาภาวนาสิบเนี่ยกระสินสมาบัติ10สมาธิอันสัมปยุทธ์ ด, ด้วยอนาปานสติอสุภฌ า, านสมาบัตเนี่ย อนนัพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีส่วนแห่งสติประธานสี่สัมมปทานสี่อิทธิบาทสอินทรี่ห้าพละหา้าโพชชงเจ็ดอริยมรรคมีองค์8อันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีส่วนแห่งกําลังของพระตถาคตสิเวสารัชยานสี่ปฏิสัมพิทาสีอภิญญาหพุทธธรรมหกเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าพักวานคำว่าพักวานั้นพระมารดาบิดาพี่น้องชายมิตรอมาตญาติสาโลหิตมิได้ตั้งให้ ทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาก็ไม่ได้ตั้งให้แต่พระนามว่าพัควานี้เป็นวิโมกขันตินามคือพระนามเกิดในที่สุดแห่งความหลุดพ้นคำว่าพักวานั้นเป็นสัชกาบัญญัติคือเป็นบัญญัติที่เกิดจากการทำให้แจ้งเ น, นะเป็นพระนามของพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้ตรัสรู้แล้วพร้อมด้วยการบรรลุสัพพัญญุตญาณะวงไม้มหาโพจึงชื่อว่าพักวา ที่ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยนะได้ตรัสตอบว่าโลกอันอวิชชาหุ้มห่อไว้โลกคือคือเนี่ยชีวิตของทุกเวรผ้าระยะเสียทุกคนเนี่ยถูกอวิชชาเนี่ยห่อไว้เนี่ยนะถ้ามองก็เหมือนกับว่าอยู่ในไข่ะนะมันก็อยู่ในกระเป๋ะอยู่ในฟองไข่หรือว่าอยู่ในที่อะไรทุบมันห่อหุ้มปกปิดเอาไว้เนี่ยนะพันอวิชชาในที่นี้คืออะไรเนี่ยนะก็คือความไม่รู้แปดประการไม่รู้แปดประการก็คือไม่รู้ทุก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 ความเป็นคนเา้าความไม่รู้ทั่วพร้อมความหลงไหลความมัวเมาอาวิชชาเป็นโอฆาอาวิชชาเป็นโยฆาอวิชชาเป็นอนุสัยอวิชชาเป็นเครื่องกลุ่มลุมคือปริยุทธานอนุสัยกับปริยุทธา น, นี่แสดงควบคู่กันไปเลยก็แสดงว่าไม่ต่างกันอวิชชาเนี่ยเป็นขายเป็นเหมือนตาข่ายดักอะไรวะเนี่ยนะโมหะ คือความหลงอกุศลรมูลนี้ชื่อว่าอวิชชาในอุเทศว่าอวิชชายานิวุโตโลโกว่ากันโลกนี่อันอวิชชาหุ้มห่อไว้ดังที่กล่าวไปทั้งหมดเรียกว่าอวิชชาความไม่รู้เนี่ยนะคำว่าโลกเนี่ยนะก็แบ่งตามคติห้าใช่ไหมโลกนรกโลกเดรชาโลกเปรตโลกมนุษย์โลกเทวดาคติหในคติทั้งห้านั้นถ้าจําแนกโดยสภาวะก็คือขันธโลกธาตุโลกอายตนะโลกนั่นแหละ ก็ถ้าแบ่งแล้วก็เป็นพหุโลกนี้โลกหน้าพรหมโลกกับเทวโลกเรียกว่าโลกโลกทั้งหมดที่กล่าวไปเนี่ยอันอวิชชานี่แหละปิดบังปกคลุมหุ้มห่อครอบเอาไว้จึงชื่อว่าโลกอวิชชาเนี่ยหุ้มห่อเอาไว้ก็ไปถามถามดูอ่ะใครเห็นอริยศาสตร์บ้างอ้าที่มาประชุมกันเยอะแยะเสียงดังเย้ยเยเนี่ยนะมีใครรู้อริยศาสตร์บ้างในนั้นมีเนี่ยนะหอมหุ้มห่อไม่หมดนะ รู้อดีตก่อใหม่รู้อนาคตก่อใหม่รู้ทั้งอดีตอนาคตปฏิจจสมุปบาทไม่แทงตลอดสักอย่างนี่แหละอาถรรแม้กระทั่งเดรัชานทั้งหลายที่ร้องกันอยู่เนี่ยนะี่เราทั้งหลายถ้าไม่คิดถึงคําสอนเนี่ยเราก็ไม่รู้อีกเหมือนกันดังนั้นอวิชามันปกคลุมหุ้มหอ่อทั่วไปหมดเลยนะเรียกว่าอาวิชามันหอ่อระบาดเต็มไปหมดเลยอนะ่ะนั้นพระองค์ก็เลยตอบว่าโลกอนาวิชาเนี่ยปกคลุมหุ้มหอ่อเอาไว้ ต่อไปว่าโลกที่ไม่ปรากฏเนี่ยเพราะความตรนีและก็ความประมาทเนี่ยนะคำว่าโลกไม่ปรากฏก็คือเพราะความตณีห้าอย่างนะตณีอาวาสที่อยู่ตรนีสกุลตรนีลาบตรนีวันณนะคือคํายกย่องชัดชมเชยผิวพรรณเนี่ยนะหรือว่าตนีในธรรมะเรียกว่าความตนี ความตนีกิริยาที่ตณีความเป็นผู้ตนีความปรารถนาต่างๆความเหนียวแน่นความเป็นผู้มีจิตหดหูความเป็นผู้มีจิตเผ็ดร้อนความที่จิตอันใครๆอ่ะเชื่อไม่อ่ะเชื่อไม่ได้เห็นตานี้เรียกว่าความตนีหรืออีกอย่างหนึ่งความตนีขันตนีธาตุตณีอายตนะเรียกว่าความตณีนี่ยนะความตนีนี่แหละทาให้โลกไม่ปรากฏมันห่วงแหนเนี่ย ไม่อยากให้ของของตนเป็นสาธารณะกับใครอะ่ะมันห่วงอะ่ะมันยึดถือมากอะ่ะมันห่วงมันเกาะมีอะไรเนี่ยติดนั่นนลยนะห ร, รือว่าของสมมติถ้าบ้านเราเลยนะของที่มันเคยอยู่ปกติลองมันไม่เห็นดูอย่างนึ่งเลตือนเช้ามาไม่เห็นรถจอดอยู่ที่เดิมอะไรจะเกิดขึ้นสนุกไหมคุณโชคดีไม่สนุกเลยนะวอน่วอนเลยนะะเดือดร้อนแน่ไปยังไงมายังไง่นะอ่าอื ม, อ น, ม น, นั่นนะ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 หรือร่างกายอะไรทั้งหลายเลยแม้กระทั่งชีวิตที่เรียกว่าเคยมีแล้วมันจะไม่มีเนี่ยโอ้ยมันตันนีมันดือดร้อนอ่ะนะนั่นเรียกว่าความตนิ่งไม่อยากให้เป็นสาธารณะไม่อยากให้เป็นของหลวงอะไรทั้งพันโลกเนี่ยมันไม่ปรากฏไม่แจ่มแจ้งไม่สว่างไม่โรคก็ให้ความตันนีนี่แหละเนี่ยนะทานก็ให้ไม่ได้ซีนก็รักษาไม่ได้ภาวนาก็ไม่เจริญธรรมะความพระพุทธเจ้าก็ไม่สนใจเนี่ยก็เนื่องจากความตันนีนั่นแหละนะ อย่างที่บางคนก็บอกว่าจะไปคบทำไมพระเขาว่ากันเพราะว่าถ้าคบพระเนี่ยคบพระเนี่ยก็บอกว่าถ้าเห็นแล้วก็ต้องกราบต้องไหว้นั่นนะถ้าไม่กราบไม่ไหว้ก็ต้องลุกรับเนี่ยนะถ้าลุกรับก็ต้องให้ทานพระะนันก็โหไม่อยากคบไม่อยากเห็นไม่อยากพบปะเจอเจอกันเลยงั้น